นางแก้วคู่บารมีจากประวัติของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์หลายองค์จะเห็นได้ว่าจะต้องมีคู่บุญบารมีที่ปรารถนาจะติดตามเพื่ออุปถากดูแลพระองค์ท่านด้วยเช่นพระมเหสีราชโอรสราชธิดาหรือแม้แต่นายทหารเอกคู่บารมี เพราะการเป็นพระโพธิสัตว์จะต้องบำเพ็ญบารมียาวนานซึ่งจะมีผู้ปรารถนาเป็นสาวกติดตามไปทุกภพทุกชาติเป็นจำนวนมากและผู้ที่จะมาเกิดเป็นคู่บารมีนั้นก็ต้องมีบุญมีวาสนาบารมีเหมาะสมกันด้วยโดยเฉพาะคู่ครองที่ต้องมีบารมีและคุณธรรมอื่ น, นๆใกล้เคียงกันไม่อย่างนั้นจะเกิดมาเป็นคู่ครองโดยเฉพาะคู่บารมีไม่ได้เด็ด ซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกับที่หลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนได้กล่าวไว้ใจความโดยย่อว่าในหลวงและพระราชินีคือหัวใจของชาติไทยเราให้พากันเทิดทูนดังนั้นจึงพูดได้ว่าพระองค์ทั้งสองคือคู่พระบารมีกันโดยแท้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทั้งหมดคือตัวอย่างของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมในระดับสูงและทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมาตลอดชีวิตเช่นองค์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชที่ได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ทั่วโลกทุกนิกายอยากให้คิดดูว่าเหตุใดทุกท่านถึงชื่นชมสรรเสริญในหลวงรัชกาลที่9้าได้ถึงเพียงนี้ก่อนจะประาโมทลบหลู่ใครควรพิจารณาให้รอบคอบ เพราะจะส่งผลเสียต่อตัวท่านเองหลายภพชาติโลกนี้เต็มไปด้วยข้อมูลเท็จและสิ่งหลอกลวงจากคนบากขาศิลธรรมที่มักชักนำให้เราทำชั่วไปกับพวกเขาด้วยรักบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ต้องรักยังมีสติต้องพิจารณาให้ชัดว่าสิ่งที่ได้ยินแค่การปลุกปั่นให้เกิดกระแสเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มหรือไม่รักประชาธิปไตย แต่อาจามีแค่เราที่เดือดร้อนโดยสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์จะไม่สนใจมาช่วยเหลือจริงจังครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าผ่านราชดำเนินยังเห็นวิญญาณคนตายกรีดร้องด้วยความทุกข์อยู่มาตั้งแต่40ปีก่อนจนถึงปัจจุบันแม้ใครจะตั้งให้เป็นวีรชนแต่หากตายด้วยจิตเป็นทุกข์เครียดโกรธก็ไปสุขติดได้ยากจะไปสวรรค์ได้ ต้องตายแบบมหาตามะคานทีเท่านั้นนะครับคือต้องตายไปพร้อมรอยยิ้มด้วยจิตที่อภัยให้กับทุกคนได้จริงๆเท่านั้น